ขอนมน้ต่อพระาระาชาขอโอกาสก็น่าส่งเจริญพรอยางญาติโยมเรามาเรียนรู้ฝึกหัดสติกันจเจริญสติเราเชื่อว่าที่น่วัตาสุโกโตมีผู้นำประทานสงฆ์หลวงพ่อเขียนท่านก็ชี้ สิ่งที่ท่านพูดมาจากการปฏิบัติที่หลวงปู่เียนท่านก็เคยชีย้หลวงเทียนก็เคยฝึกเคยหัดเคยปฏิบัติอยากรู้เรื่องบุญอยากรู้เรื่องบาปอยากรู้เรื่องเวลามันโกรธแล้วก็ความโกรธหมดไปหายไปก็เรียนรู้มีครูบาอาจารย์ต่อต่อๆกันมา ก็เป็นคำบอกคำสอนที่มีอยู่ในวิชาพระุศาสนาในศาสนาพุทธมีละชื่วทําดีทําดีก็อย่างที่เราสวดกันก็คือมงคล38ที่เมื่อกี้เราสวดกันชิดใข่ใกลอยากจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าความทุกข์หมดไปหายไปก็ต้อง ปฏบัติตามมงคลสองบแมงคลสูงสุดก็คือการทำพระนิพพานให้แจ้งพระนิพนพานก็คือเนื้อเกิดเนื้อแก่เนื้อเจ็บเนื้อตายเนื้อทุกข์มันเป็นจุดสูงสุดของชาวพุทธหรือว่ามนุษยชาติองสมเด็จสามมาสัมเจ้าก็อุบัติขึ้นมา เมื่อเราน้อมก็ามาถึงยุคเรามันก็ได้สัมผัสอยู่ในหลักทรรมคำสอนยังมีอยู่หรือว่าการฝึกสติสติเป็นตานในจะทำให้เราได้เห็นหอาการที่เรียกว่าธรรมะธรรมชาติมันมีอยู่ในตัวเราชีวิตของเรามีกายมีใจ กายใจทำดีก็ได้ทำชั่วก็ได้ทำบุญก็ได้ทำบาปก็ได้ไปสวรรค์ไปนรกได้สวรรค์ก็เป็นความสุขสุขติโูมินรกก็เป็นทุกขติทุกขติมความอึดอัดขัดแย้งไปในจิตใจเป็นนรกเป็นบาปเป็นอกุศลเราก็จึงมาเห็นในตัวเรากัน ให้มีแต่ความเจริญความก้าวหน้าไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในทุกสถานเป็นมงคลอันสูงสุดก็เลยมีการดํารงชีวิตมีความสะดวกมีความเอาเข า, เ, าเขา้เขาใจมีการเกี่ยวข้องเห็นโลกตามความเป็นจริงเกี่ยวข้องถูกต้องตัวนี้จะมีวิชาการเจริญสติปัฏฐาน หันกลับมาดูที่ตัวกายตัวใจหรือวเรียกว่าวัตถุรูปธรรมนามธรรมมันมีอยู่เป็นตัวชีวิตเราก็จะได้เห็นความจริงในตัวเรากันเริ่มต้นก็นตั้งแต่ปลิกมือตั้งรู้สึกตัวเมื่อเกิดอาการปวดเมื่อขึ้นาก็รู้เท่ารู้ทันรู้สึกตัว มัมีอาการอะไรหนาวหนาวร้อนๆมากระทบเจ็บไข้ไม่สบายร่างกายงำลังเป็นก้อนทุกข์เป็นก้อนของโลคาปยาทีมีโรคต่างๆมากมายมีทุกข์การแก่เป็นทุกการเจ็บการป่วยเป็นทุกการตายเป็นทุกจิตใจพัดผ่านกับของรักของชอบใจปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้น เรียกว่าอุปทานขันน่ะนะอุปทานในขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์การกข้าไปยึดในอารมณ์ต่างๆหลงเข้าไปในลงต่ำต่างมันก็จะเป็นสภาวะที่ทําให้เราขัดแย้งไปในจิตใจก็เรียกว่าครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากเมื่อเรามามีความรู้เนื้อรู้ตัวเกิดสติเกิดตานในก็มันก็เป็นหนทางสว่าง ทะลุทะลวงแตกฉานในเรื่องของธรรมชาติธรรมะที่มอยันอยู่แล้วอยู่ตลอดเวลาในตัวเราภายในภายนอกเช่นตาก็ทบรูปหูก็ทบเสียงจมูกก็ทบกลิ่นลิ้นเล็มรสกายสัมผัสจิตใจนิคิดนึกคิดปรุงแต่งจิตใจของเรามันนึกมันคิดมันปรุงมันแต่งมันก็เป็นสภาวะเป็นอาการนะ โดยเพราะความทุกข์ที่เราชอบหลงก้ไปนในความคิดอดีน า, นาคตมันก็จะเป็นสภาวะธรรมระหว่างตัวหลงที่มันหลงไปมันก็ลืมเนื้อลื ม, ลมตัวเวลามันรู้สึกตัวเป็นสภาวะของตัวรู้ที่มันเจริญเติบโ ต, ตทํางานทําหน้าที่ทําให้เราได้เห็นอาการต่างๆความเป็นจริงตัวนี้แหละที่เรามาฝึกมาหาดกัน ซ้ำๆตอกย้ำทำแล้วทำอีกเห็นแล้วเห็นอีกสัมผัสแล้วสัมผัสอีกร่างกายก็เราเป็นก้อนทุกข์มีโลคาปยาติจะทำยังไงเกี่ยวกองได ย, ยาฉีดตรงอมทาอย่างช่นนี้อากาศจะเปลี่ยนนะอากาศจะเปลี่ยนบางทีก็ร้อนๆเดี๋ยวฝนตกบางอากาศเย็นๆแมงเชาเนี่ยเย็น ก็จะมีน้ำมมกไหลออกมาอาเงี้ยธรรมชาติก็กำลังช่วยตัวเขาอยู่ปรับสมดุลมีฝุ่นละอองอาจจะมีภูมิแพ้เกสรดอกไม้หรือว่าบางทีก็แพ้ฝุ่นอันนี้เราก็จะเห็นว่าเออโลกมันก็อยู่กับตัวของเรานี่แหละเรียกว่า รูปทุกนามทุกรูปโลกนามโลกกลายเป็นโรคใจมันก็มีโรคเหมือนกันเกิดความเครียดขึ้นมาเกิดความไม่ตกกลางวันเกิดการไม่สบายใจเป็นโรคไปในจิตใจความโกรธนี่โรงพยาบาลไม่ได้กําหนดว่าเป็นโรคความโลภในทางโรงพยาบาลไม่ได้กําหนดว่าเป็นโรคแต่ว่ามันมีผลลงในจิตใจแต่มันมีผลโยมหาร่างกาย กลัวมีผลต่อตับคนกลัวมากมีผลต่อตับกลัวมากๆมีผลต่อไ ต, ค, ต, อตคนกลัวแล้วก็หรือว่าศัาลย์ลาสิ่งเราเห็นได้ชัดไปแล้วก็กลัวเนี่ยปัสสาวะจะเล็ดออกมาลาดออกมามันก็จะมีผลต่อไตดีใจจะมีผลต่อหัวใจกลางปนใจมีผลต่อม้ามดีใจมีผลต่อปอดมันจะกระทบไปกระทบมากระทบมากระทบไป เราได้เห็นผลกระทบของกายของใจนะชัดเจนมากที่ตัวเราเนี่ยแลวเวลาปฏิบัติธรรมเวลากขาปวดเมื่อยตัวใจมันก็เครียดได้เหมือนกันมันโยงเข้าหากันเราก็จึงได้มามีนะความรู้สึกตัวเป็นเกาะหรือว่าเป็นตาในคอยสอดส่องภาษาธรรมะเรียกว่าธรรมวิจยะหรือเรียกว่าวิจัยธรรมะวิจัยธรรมชาติ ธรรมชาติของกายธรรมชาติชาติของใจที่เราจะต้องใช้ก็ต่อใช้เขาได้นั่งเดินยืนนอนกินกับไทยแล้วก็ทำดีทำดีกับพ่อกับแม่ทำดีกับเพื่อนทำดีกับกูบาลจารทำดีกับโลกทำดีก็เรียกว่าบุญนน่บุญก็มีตั้งแต่ระดับทานศีลแล้วก็ภาวนาเป็นบันไดไต่ขึ้นไปของชาวพุทธ ช่วยทาดีชาระจิตเป็นบันไดไต่ขึ้นไปจึงต้องมาถึงที่นี่วัดป่าสุตวัวแล้วก็เน้นกันเรื่องของการฝึกหัดบาเพ็ญทางจิตการบาเพ็ญทางจิตก็คือมีสติดูจิตจากนั้นมนเห็นความคิดที่มันนึกมันปรงุงมันแต่งต่างๆมันแสดงออกมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเราแยกแยะตรงนี้ก่อนมันมีความคิดกับตั้งใจกับที่เราไม่ได้ตั้งใจ การที่ความคิดเกิดจากการตั้งใจนี่เป็นประโยชน์มีประโยชน์ทีเดียวตั้งใจคิดเราคิดอย่งมีปัญญามีพื้นฐานของวิชาการรองรับมันมีความถูกต้องมีมาตรฐานอยู่ในนั้นอันนี้เป็นความคิดแบบโลกโลกที่เราทํางานทําการทําหน้าที่กันอยู่อีกตัวหนึ่งก็คือที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดตั้งใจจะอ่านหนังสือนักศึกษาเนี่ยมันมีความคิดอื่นๆแทรกออกมา หรือว่าเราธรรมดตรวจมอนยังไงนะเราตั้งใจที่จะพูดออกมาคิดออกมาในสิ่งที่มันกำลังปรากฏตาก็เห็นตัวหนังสืออยู่กาลังปรากฏแต่ว่ามีความคิดอื่นแทรกซ้อนออกมาอันนั้นเราคือความคิดที่เรียกว่าตัวหลงบางทีเราเดินอยู่นั่งอยู่ความคิดที่นอกเหนือจากการเดินการนั่งมันก็แสดงปรากฏออกมารับประทานอาหารสักจานความคิดมันก็ปรากฏออกมาดื่มน้ําสักแก้วความคิดก็ปรากฏขึ้นมา ตั้งใจจะนอนเมื่อคื น, นก็นอนไม่หลับก่อนนอนก็คิดมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้เห็นว่าความคิดประเภทเนี้ยมันเปลืองพลังงานนะเหมือนกับไฟเราตั้งใจใช้มันก็ได้ประโยชน์ก่อประโยชน์แต่ถ้าไม่ได้ตั้งใจไฟใช้ไฟมันรั่วออกเปิดน้ํำติ้งไวอย่างเงี้ยอันนี้มันก็เปลืองพลังงานอุปมามเหมือนกับว่าความคิดของเราก็เหมือนกัน ถ้าเราเจตนาคิดนะเกิดประโยชน์ทีเดียวถ้าเรียนมันก็จําแม่นนะเจตนาคิดเจตนาที่จะจําลงไปแต่ถ้าหาว่าเราไม่ได้เจตนามันคิดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ตามตรงนี้แหละสมองของเรามันเก็บพลังงานได้น้อยที่สุดแต่ว่าตัวเนื้อสมองเองนะใช้พลังงานเปลืองที่สุดถ้าเราคิดมากๆก็กินจุกกินจิกแล้วก็อ่อนเพลีย แต่ละถ้าเราเมันกับว่ารู้สึกตัวมากๆเราจะเห็นว่าความคิดมันลดลงนะการพูดจาก็ลดลงมีการสมรวมมากขึ้นตึงเวลาพูดก็พูดถึงเวลาที่จะไม่พูดก็ไม่พูดไม่จะรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักคนรู้จักตัวตนของเรารู้จักรู้ประมาณต่างๆมันจะเกิดขึ้นมารู้จักกาลเทศะคนนีนะ้เทศกาลนี้ต้องทําอย่างนี้ อย่างละมาที่วัดป่าสุขโตชุมชนนี้เราฝึกสติกันอาจจะมีรูปแบบต่างๆเกิดขึ้นเช่นในรูปแบบเราก็นยกมือสร้างจังหวะหรือว่าเดินจงกรมนอกรูปแบบก็คือเข้าห้องน้ำเดินไปรับประทานอาหารหรือว่าซักเสื้อซักผ้าจีวรหมอนมุ้งต่างๆผัด พ, พะหมหรือว่าล้างหน้าแปรงฟันตอน ต, ตื่นยนหลับเราสามารถที่จะ ปฏิบัติธรรมไปกับารรับรู้การเคลื่อนไหวของกายแต่ละขณะเป็นปัจจุบันรู้สึกตัวรู้สึกตัวไม่นขนาดนี้ก็ตามเรานั่งอยู่แล้วก็ปฏิบัติธรรมอยู่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่มีเสียงมากระทบเรารู้เนื้อรู้ตัวอยู่จิต ท, ที่มันมีสภาวะของความเป็นปกติมันจะคล่องตัวว่องไวเป็นไวพิปฏิพานตาหูจหมูกเล่นกายใจมันจะทํางานนะ ในแดนของปกติธรรมในแดนของกรรมฐานในแดนที่จะทำให้เรามีชีวิตอยู่กับปัจจุบันแล้วก็เห็นโลกเห็นโลกทิมปรากฏโลกนี้มันมีอะไรบ้างมีแสงสีกลิ่นเสียงต่างๆเรียกว่ารูปเสียงกลิ่นรสพทธภะธรรมลมจะมากระทบให้ใจเขาแล้วนะได้เกิดความฉลาด ความฉลาดตัวนี้ก็คือเป็นมงคลนั่นแหละเป็นมงคลเกี่ยวข้องถูกต้องการเห็นไม่ได้เห็นด้วยการคิดเห็นแต่มันเห็นด้วยการสัมผัสสัมผัสที่อาญตณะต่างๆภายนอกภายในมีการสัมผัสสติก็รับรู้รู้รู้เป็นความรู้สึกตัวจากหยาบไปหาละเอียดรู้แล้วรู้อีกรู้แล้วรู้อีกเมื่อความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจปรากฏขึ้นมาเราก็สลัดทิ้งสลัดคืน ไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่ให้ค่านะกลับมาเหลือแค่สัมผัสที่เราเจตนาตัวนี้นะสัมผัสที่เราเจตนาเจตนาจึงคือกรรมทํากรรมาฐานต้องมีเจตนานะเจตนาพริกมือก็พลิกมือจริงๆเจตนายกก็ยกจริงๆมีการเคลื่อนแล้วมีการหยุดฝึกให้เป็นจังหวะเป็นจังหวะเป็นจังหวะเป็นจังหวะนะใหม่ๆไม่ใช่ช้าหรือไม่ใช่ไวนะใหม่ๆเนี่ยเราฝึกให้มันเคลื่อนแล้วก็รู้สึกตัวให้ชัดกันแล้วกัน เป็นยังไงวช้าก็ได้หรือว่าเร็วก็ได้ให้เหมาะสมกับตัวใครตัวเรากันการเดินก็เหมือนกันเดินช้าก็ได้เดินเร็วก็ได้ให้เหมาะสมกับการเดินของใครของเราเดินแล้วรู้สึกว่าผ่อนคลายเดินแล้วรู้สึกเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่เก๊กไม่เกรงไม่กลัวไม่เก้อไม่เขินอย่างเงี้ยพอฝึกใหม่ๆทีมันกลัวมันกลัวจะทําไม่ถูกอย่างเงี้ยทำถูกหรือเปล่าการเคลื่อน มันก็จะสงสัยขึ้นมาเพราะฉะนั้นทําให้มีความสุ่มาทำแล้วมันผ่อนกลายวางกายคล่ยนะทําพลิกมือสร้างจังหวะหรือว่าเดินจงกรมเราก็ต้องสังเกตบางทีฝึกช้านิดหนึ่งก็ดีเหมือนกันเดินช้านิดหนึ่งแต่ไม่มากนะไม่ช้าเนิบนาบไม่ใช่ชใชแต่หมายถึงว่าช้าเพราะว่าเราจะได้สังเกตแล้วก็มีการใส่ใจลงไปเจตนาลงไป กระทบปั๊บรู้ปุ๊บกระทบปั๊บรูปปรบร้ ป, ปุ๊บตรงนี้ถ้าหากว่าเราไม่มีเจตนาเบื้องต้นมันจะเป็นกะตะตะกรรำกะตัตะกรรมก็หมายถึงว่าทำที่มันไม่ให้ผลเวลาทำไปแล้วมันไม่ให้ผลเป็นการเดินทางเป็นมักเป็นผลเป็นมักเป็นผลแต่ว่ามันมันจะทําให้เราเข็ดเพราะยิ่งทํายิ่งไม่รู้อะไรบางทีปฏิบัติทำเนี่ยนะเราสังเกตว่าทำในะบางทีมันเหมือนกับไม่รู้อะไรเลย จะหยุดมันก็หยุดไม่ได้เพราะเรามีศรัทธาอยู่มีความเชื่ออยู่ว่าทำอย่างนี้มันท้ายสุดมันจะมีความสําเร็จแต่ว่ามันยังไม่เข้าใจมันทําแล้วมันก็ท้อมันทําแล้วมันก็เบื่อมันทําแล้วก็เหมือนไม่รู้อะไรมันก็จะหยุดหยุดก็หยุดไม่ได้จะทําก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้มันจะมีสภาวะง่าเยเกิดขึ้นมามันจ้เกิดอาการงงเบื่อแต่ก็ฝืนทําฝืนทนอย่างนี้ อันนี้มันจะปรากฏขึ้นมาก็ถือว่าดีนะ้เราสังเกตก็เรียกว่าทำต่อไปขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำถึงมันจะทำแล้วเหมือนไม่รู้อะไรมันก็รู้สึกตัวอยู่รู้สัมผัสอยู่มันก็เป็นมรรคอยู่แล้วมีอาการอื่นๆเกิดซ้อนๆขึ้นมามีความคิดซ้อนๆนมาแล้วก็รู้ว่ามันคิดอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงมันก็เป็นมรรคแล้วแต่ยังไม่เป็นผลสติก็จเจริญแล้วแต่ว่าปัญญายังไม่เกิด มีสติมันมีปัญญาแต่ว่าปัญญายังไม่มากพอถึงขั้นทะลุทะลวงแตกฉานในรูปธรรมในนมามธรรมเห็นาการเกิดดับไปนะถ้าเราสามารถเห็นาการเกิดดับได้นะั่นมันเกิดศรัทธาเป็นศรัทธาก้าวหน้าเป็นศรัทธาที่พาเราพ้นทุกเพราะทุกครั้งที่มันรู้อะไรเป็นอะไรมันก็แตกฉานขึ้นมามันก็ได้คาตอบเรียกว่าเฉลยโจทย์ตะโจทย์ได้อย่างงดงามทีเดียวจิตมันจะตื่นขึ้นมา เวลามันรู้อาการต่างๆแล้วมันผ่านได้จิตจะเติร์นใช่ไหมอย่างเช่นอาการหยาบๆเวลาเราง่วงเลยนะเดินไปเดินมามันง่วงยกมือไปยกมือมามันง่วงเนี่ยใหม่ๆมันก็ง่วงแบบทรมานมากแต่พอเราทําไปทําไปบางทีมันผ่านได้นะจิตมันจะสว่างขึ้นไปแล้วทุกครั้งที่มันสว่างจะสังเกตได้มันเติร์นมีการอิ่มใจมีการยิ้มๆจิตมันจะยิ้มเวลาปวดก็เหมือนกัน นั่งนานๆทนนานๆมันปวดอย่างเงี้ยมันปวดเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงจะเปลี่ยนก็กลัวผิดเนี่ยจะไม่เปลี่ยนมันก็เจ็บปวดมันก็ใหม่ๆ ม, มันก็จะเจ็บเจบชาชาท้ายสุดมันก็เจ็บเข้ากระดูกเลยจนบางทีเหมือนก็จะตายให้ได้เงี้ยมันก็กลัวที่จะเป็นอมตกอมภัณฑ์เงี้ยมันก็จะไม่เปลี่ยนก็ไม่ได้การจะเปลี่ยนก็กลัวผิดเนี้ยตรงนี้ลองสังเกตดีๆ ใช้ใช้ตบาบะใช้ความอดทนฝืนสักนิดหนึ่งเกินเท่าที่เราเคยทําเกินเท่าที่เราเคยฝึกเสี๋จวเราเราจะเห็นว่าตบาบะมันเกิดขึ้นมาคือจะทําได้นานขึ้นนานขึ้นนานขึ้นแล้วท้ายสุดเราสังเกตดีดีมันจะมีปลานเดินอาการที่ปลานเดินก็คือมันเหมือนกับเลื่องลมมันเดินของมันเองแล้วท้ายสุดมันจะกลายเป็นตัวอืมปีติมันจะซ่อนซ่อนขึ้นมาอันนี้หมายถึงว่าเวลาเราทนนะนะ มันจะได้ตัวปิติได้ความอิ่มใจเกิดขึ้นแทนอาการเจ็บปวดมันก็คลายหายไปอันนี้ก็ลองหาประสบการณ์ตรงของใครของเรากันมี2 อ, อย่างนะคือไม่เปลี่ยนและเกิดความอดทนอดกั้นหรือว่าเกิดปล่ามันเดินนเห็นอาการดับไปของทุกขเวทนาของกายอีกตัวนึงก็คือมีสติตั้งสติ ด, ดีจิตใจไม่ทรมานรู้อยู่ว่า คิดของความเป็นปกติมันทําได้แค่นี้คิดความสามารถของธรรมะที่มันมีอยู่ในตัวมันทําได้แค่นี้เราก็มีสติแล้วก็เปลี่ยนไปก่อนอันนี้ก็ได้เหมือนกันเหมอนก็คัดกอไก่แล้วก็เมื่อยมือเนี่ยนะกอไก่ก็ไม่เป็นตัวอยู่แล้วละฝึกหัดวันแรงบางทีก็เลยเส้นทีก็ตัวโตตัวไม่เท่ากันสักตัวเขาก็เมื่อยมือเราก็วางดินสอพอวางดินสอพอมันหายเมื่อยเราก็กลับมาคัดใหม่อันนี้ก็ได้เหมือนกัน การนั่งการเดินการยนืนการนอนอย่างงี้นะมันเป็นอ e ิยาบทที่สมดุลนะก็คือช่วยปล่อนคลายบรรเทาแก้ไขมันเกิดเป็นสุขขาววิปัสสโกขึ้นมะาก็หมายถึงว่าเป็นบัดยังมีความสุขสุขรู้สึกสะดวกนะสะดวกในการนั่งการเดินการยนืนการนอนทำได้เรื่อยๆความรู้สึกตัวเกิดความเชื่อมโยงต่อเนื่องมาได้หมายถึงว่า นอนดีไม่ได้หมายถึงว่านั่งดีไม่ได้หมายถึงว่าเดินดีหรือวยืนดีแต่หมายถึงว่าเคลื่อนไหวก็รู้สึกตัวอย่าเบดนะิดเป็นลนักษณะของการเปลี่ยนเพื่อเราได้สามารถปฏิบัติทำได้อย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงทั้งวันตั้งตืง่นยนหลับบางทีก็หันซ้ายหันขวาอย่างนี้นะบางทีก็มันก็รู้ลมหายใจบางทีก็กระพริบตามันรู้ทั้งที่เราเจตนาแล้วก็ไม่ได้เจตนา มันก็จะเป็นลักษณะของความรู้สึกตัวที่พัฒนาขึ้นมาทีแรกเราตั้งใจที่จะรู้ในสิ่งที่เราทำแต่ต่อไปมันจะรู้ในสิ่งที่มันเป็นเหตุปัจจัยต่างๆมาให้รู้มันก็รู้บางทีก็มีสัจสาลาสิ่งที่ยุงมันก็ตอมเราแทนที่ยุงกัดยุงตอมจะเป็นความลาคาออย่างนี้นะมันก็กลายเป็นความรู้สึกตัวเราจะได้เห็นจิตปกติเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมมันจะคอยวัดเราอยู่ตลอดเวลา มันจะคอยเป็นกรอบเป็นเกณฑ์เป็นกรอบเป็นแขนแล้วก็บอกเราในทิศ ท, ทางเดินของจิต ท, ที่ปกติหรือไม่ปกติเลยอากาศหนาวอากาศร้อนอว่าอาการต่างๆนกิริยาต่างๆที่มันมีอยู่เป็นของคู่โลกเนี่ยนะมันก็จะมาเป็นกรอบเป็นอาจารย์คอยบอกทิศบอกทางให้เรากลับคืนสู่สภาวะมีความรู้สึกตัวเข้าสู่สภาวะปกติของจิตของใจน เพราะฉะนั้นใจนี่มันต้องว่างใจของเราเดิมแท้มันต้องว่างว่างจากความหมายอย่งความเป็นตัวตนจิตเดิมๆของเราก็ออกเหมือนกันมันจะต้องประพัดสอนโปร่งใสก็คือใจที่ว่างจากความหมายความเป็นตัวตนอันเดียวกันจิตเดิมแท้นะมันจะตื่นตัวเป็นจิตที่อยู่กับปัจจุบันแล้วก็ฉลาดก็คือมันเห็นอาการของกายของใจที่เราฉลาดแล้วนะ มันไม่จะฉลาดเรื่องอื่นมันจะหลาดเรื่องของตัวเองเวลามันปกติมันก็รู้ว่าปกติเวลาไม่ปกติมันก็รู้ว่าไม่ปกติเราก็จมาทวนกระแสจิตของเราที่เคยไหลสู่ความเสื่อมนะสู่ความโลภความโกรธความหลงนั่นคือสู่สวัสดปกติของจิตตรงนี้มันถึงเวลาแล้ววันเนี้ยขณะเนี้นะที่เรามาที่วัดป่าสุกตก็ด้วยเหตุนี้แหละก็คือมันถึงเวลาที่จะต้องเดินทางสู่การพ้นทุกข์กัน โบราณท่านเคยเปรียบเทียบไว้ว่าปุถิชนคนทั่วไปจะเป็นคนหลงโลกหลงเข้าไปในโลกใบนี้ในอินวัตถุนิยมบริโภคนิยมหรือว่าอำนาจนิยมก็คื อ, คอหลงเข้าไปในกามกินเกียจกันทีนี้มันจะมีการเปรียบเทียบว่าเหมือนกับช้างเน่าตัวหนึ่งช้างตายใช่ไหมถ้ามันเน่าอนะี่ยมันก็พองอืด ที่นจะมีอีแรงมีกาต่างๆนกที่กินซากสัตว์เนา่าก็เห็นว่าเอออาหารเมื่อเนี้จะกินได้นานก็พากันกินเข้าไปก็เลือกจุดอ่อนลูกตาบ้างหรือว่ามีรูตรงไหนก็นจะมุดเข้าไปบางตัวก็มุดเข้าไปทางทวาวรของช้างช้างเน่าตัวเนี้ยก็กินเข้าไปกินเข้าไปกินเข้าไปอร่อยมามันมากนะ จนกระทั่งช้างตัวนี้นะโดนน้ำสัต์พัดพาไปไหลลงสู่มหาสมุทรอีกก็ยังโศก ส, สนานเพิดเพลินจนกระทั่งท้ายสุดมารู้สึกตัวอีกทีก็อยู่ท่ามกลางทะเลวงว้งวางออกมาแล้วก็ไม่รู้ว่ไหนคือฝั่งนะจะบินก็หมดเรี่ยวหมดแรงก่อนละกเนี้ยมาไม่ถึงฝั่งก็เปรียบ ว, ว่าเหมือนกับปุถุชนคนทั่วไป อยู่ในวัตถุนิยมบริโภคนิยมอยู่ในการกินเกียรตินั่นแหละอำนาจนิยมจังทั้งเรมเนื้อเริมตัวตายสุดตายสุดก็เหมือนกระไตภูเขานอนขึ้นไปจะเป็นนอนที่อยู่ตัวสูงสุดแล้วตายสุดไม่เห็นว่ามีอะไรเลยเดินลงแบบน่าสงสารมากแล้วเราก็จึงไม่ประมาทกันมีความรู้เนื้อ ร, รู้ตัวเจลจิติฝึกการเจรลญสติ หัดให้จิตใจของเรามันกลับมาสู่บ้านของมันก็คือความเป็นปกติเป็นมาตรฐานของจิตจิตสุขจิต ท, ทุกข์นะนั้นไม่ปกติตัวนี้แหละมันจะเกิดมงคล38ขึ้นมาเราจะเป็นคนว่านอนสอนง่ายถ้ามีสตินะจะเป็นคนอ่อนน้อมต่มตัวถ้ามีสตินะจะเป็นคนที่เอือเฟื้อขึ้นมาลึกๆภายในมีเมตตาก็านามิตาเบี้ยขาไอ้ชั่วกลัวบาปพวกนั้นนะจะมีความซื่อสัตย์ตรงนี้มีแน่นอน มีความขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนกตัญญูเนี่ยจะเกิดขึ้นมาเป็นคุณสมบัติของผู้ที่ฝึกสตินะคนที่ฝึกสติเจริญสติหมายถึงนั่งเดินยืนนอนรู้สึกตัวมาจะพัฒนาไปเห็นจิตจัดระเบียบความคิดจัดระเบียบวินัยของกายของจิตเห็นธรรมะธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติเนี่แหละธรรมชาติคือความเป็นธรรมดาธรรมดามันเกิดขึ้นมาในโลกใบนี้ฝนตกแดดออกนหรือว่านะ มีการเปลี่ยนแปลงไปต่างๆนานามากมายที่เรากระทบกันอยู่ทุกวันนี้แล้วทั้งข่าวสารต่างๆมันก็เรื่องของธรรมะทั้งหมดนะเพราะนั้นในการทํางานต่างๆมันมีความก้าวหน้าได้จเจริญก้าวหน้าได้เราก็จะได้เห็นในตัวเราเนี่แหละมันมีความเสื่อมเกิดขึ้นมามีความจเจริญเกิดขึ้นมาในตัวเราก่อนมีบุญมีบาปเมื่อทีเป็นคิดดีพูดดีทํำดีนนี้เป็นบุญ บุญที่ได้มาโดยชอบเป็นความสุขความสุขที่ได้มาโดยชอบก็เป็นบุญตรงนั้นนะอะไรที่มันทําไปแล้วนะเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นก็เป็นบาปบางทีเราจะได้เห็นนะตัวเองเบียดเบียนตัวเองเนี่ยขณะฝึกหัดปฏิบัติเนี่ยนะเราได้เห็นเช่นเมื่อวานมีการสูบุรีกันซึ่งที่นี้เราบอกกันแล้วว่าถ้าสูบุรีเนี่ยเราก็จะปรับกันละสองพันห้า ้าว่านนี่จะโดนสอง0ืนห้าแล้วก็พูดอย่างนี้กฎหมายตรงนี้มันมีบังคับกันอยู่ก็ยังเหมือนกับว่าบอกว่าไม่ได้ยินอย่างงี้อาจารย์สนใจท่านก็บอกไว้แล้วทั้งที่พูดกันอยู่นะก็ไม่ได้ยินอย่างง้นะแล้วก็ลงมือทําไปแล้วคือสูบในห้องน้ำจนกระทั่งมีพระรูปหนึ่งในวัดได้กลิ่นแล้วก็มาบอกกันว่ามีการสูบบุหรี่แล้วก็ถามว่าใครก็มีการยอมรับเรื่องบุหรี่มาอย่างนี้ อันนี้มันบอกถึงว่าบางทีเราก็รู้ไม่ทันอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเดี๋ยวเพราะความคิดที่มันสั่งให้เราสูบุหรี่ผมเล่าจมาเคยฟังหลวงปู่เทียนจิตะโปนะท่านพูดไว้ว่าท่านไปเวรธรรมนะท่านก็ติดบุหรี่เหมือนกันเวลาท่านไปเวรธรรมเนี่ยท่านก็ตั้งใจที่จะรู้สึกตัวรู้สึกตัวนะแต่นี้มันอยากบุหรี่ท่านก็เอาเมือไปหยิบบุหรี่ ท่านมีสติขณะที่เอื้อมมือไปหยิบบุหรี่นะท่านบอกว่าเฮ้ยก็มาปฏิบัติธรรมเงี้ยนะไปสูบทําไมไหนลองไม่ไม่ไม่สั่งมันนี่ให้เอามือไปหยิบนะโดยที่หยิบได้ไหมความคิดก็บอกว่าเฮ้ยก็หยิบไม่ได้แล้วบุหรี่เอาทางงั้นลองหยิบสิก็หยิบขึ้นมาเอาไหนลองไม่หยิบไม่ขีดไปจุดไฟสิเดี๋ยวมันจะสูบได้ไหมความคิดมันเถียงกัน ความคิดตัวเองก็เอ้ยกระโศกไม่ได้แล้วนะถ้าไม่ไม่สั่งให้ไปหยิบนะอา้าวถ้าหยิบแล้วไม่จุดนะดูสิมันจะโดดได้ไมวุอ่อุิ่งอ้าวมันกระโดดไม่ได้แล้วเอาแล้วโดดแล้วมันดีไมวุอ่อุิ่งนะก็แยกแยะว่ามันมีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่าอย่างไรถ้ามีคุณค่าก็ ด, ดูต่อไปถ้ามีคุณค่าก็หยุดแทรกเนี่ยคือสติมันจดจักทบทวนไข่ค ร, ครวน คุณค่าแท้เป็นไงคุณค่าเทียมเป็นยังไงภาษาศาสนาเขาเรียกว่าโยนิโสมัตสิการรู้จักใครควรดูทําและ้วจะเป็นคุณยังไงเป็นโทษยังไงกระทบกระเทือนยังไงกับตัวเองจากการกระทําของตัวเองแล้วกระทบคนอื่นอย่างไรจากการกระทําของเราเองอันนี้มันเป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันชุมชนเพราะฉะนั้นปฏิบัติธรรมจะเป็นเรื่องของตัวเราเราเกี่ยวข้องตัวเราเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านเกี่ยวข้องกับผู้อื่น มันจะเป็นความรับผิดชอบ เ, อเล็กๆนะจากตัวเองกับตัวเองแล้วขยายผลไปกว้างขวางจนทําเป็นเรื่องของมนุษยชาติในโลกใบเนี้ยมันก็จะเป็นความดีความงามเป็นลรื่องของวัฒนธรรมประเพณีหรือเรียกว่าอารยธรรมเลยยิ่งใหญ่ขนาดนั้นมันก็เริ่มจากการที่เรานั่งเดินยืนนอนรู้สึกตัวรู้สึกตัวที่ฝึกหัดกันอยู่ทุกวันนี้ในรูปแบบนอกรูปแบบเพื่อเราได้เห็นอาการต่างๆที่เกิดขึ้นมาโดยเพราะความคิด มันเป็นอาการของจิตตัวนี้แต่เห็นความคิดได้ไบ่อยๆความวอกความโกรธความหลงมันจะลดไปเองแต่รู้สึกตัวได้ไบ่อยๆเกินไหวรู้สึกความคิดจะหายไปเองโดยเฉพาะความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจนะเราเห็นว่าพูดมาประมาณสามสิบนาทีเห็นว่าควรยุติแล้วก็ขอให้ในายประธรรมที่ท่านองตั้งใจหรือว่าที่เราอยู่วัดอยู่วานเป็นเบื้องหลังของวัดวาราราะ เป็นลักะของจิตอาสาหรือว่าธรรมบริการต่างๆที่ได้อาสายจากการอยู่วัดแล้วก็ทำบุญร่วมกันเนี่ยนะก็ขอให้การทําดีของเราทั้งหลายนั้นแล้วคนที่ตั้งใจประพฤติปฏิบั ต, ติเนี่ยจะต้งเข้าใจธรรมะบ้างตามสมควรแก่การปฏิบัติหรือว่าผู้ที่ประพฤติประมาจันทั้งหลายนั้นก็ขอให้ความดีของเราทั้งหลายหรือว่าการที่เราได้มาประพฤติประมาจันทั้งหลายนั้นจงเป็นไปเพื่อการทําที่สุดแห่งกองทุกโดยทุนักการทุกท่านทุกรูปทุกนามเถิด